แบงค์คาห์เรดิโอฟอร์เมนโดยวิทยาแสงอรุณพี่น้องจ๋า 3 คนนะครับเออครับได้ ได้ยินมั้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องใส่หูฟังถึงจะรู้ไงว่าได้ยินหรือเปล่าต้องถามที่ อ่าคอนโทรลเลอร์บอกหน้าจอขึ้นแล้วตอนนี้เป็นรูปของปิ่นอ่ะพี่โนเข้ามาไหนสิมาแล้วมาใช่เธอต้อง เออก็ต้องต้อง บ้าแยะยิ้มคิดหมดแล้วนะหลายๆหลายคนเค้าบอกว่าปิ้นหน้าเล็กอยู่นั่นแหละนั่น รับประทานไปเยอะประทานไปเยอะที 5 กก. 5 กก. เลยจ้าใช่ประมาณ 3 อาทิตย์ที่ ก็ 3 กิโลก็ยังพอได้ยังพอได้เค้าก็บอกเออ 2 กกอ่ะแต่ก็ค่อย 2 แล้วที่เราใช้ FM 102 ทันทีครับพี่ เพื่อจะบอกว่ายังไม่มีเหตนะเพื่อเป็น 22.11 น. ท่านนาฬิกา i radio เท่านั้น หน้าจอเห็นภาพตอนนี้พี่หนอกไม่สะบัดบ๊อบแล้วครับรอบนี้ลอง Interactive ใช่มั้ยตอนเราก็ยัง โทรมาคุยกับเราหรือคุณไม่อยากโทรคุณก็ส่งคอมเมนต์มาทางไอ้แต่คราวนี้จะเปลี่ยนระบบนิดนึงเป็นเรียกว่าในราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น 1 เนี่ยคุณสามารถ 2 อย่างเพื่อจะแสดงตัวตนว่าคุณกําลัง 1 ก็คือส่งมา 089 487 คือ 1 0894879696 คือมันเหมือนเหมือนใช่ๆๆหน้าก็เหมือน MSN กับเราแต่ตอนนี้กําลัง <Okay. S 1> install ระบบที่น่าประมูลแค่ไหนเนี่ยให้ส่งรูปมาระ attach มาที่ <Okay. S 1> bangkokradioformen@hotmail.com at bangkokradioformen@hotmail.com ส่งมาได้หรือคันมาก รอได้อาทิตย์จะโทรมาคุย 90 อืมอีกทีนึง 90 จะบอกว่า 23 นะครับครับมกราคม 2554 ครับ แต่มันไม่มีใครมิสคอลมาเลยไม่มีใครฟังเบอร์มิสคอลนะครับอีกทั้งนึง 0894879696 เอออันนี้เพิ่งมา MSN อยู่นะครับนะครับก็จะบอก MSN อันใหม่ครับตอนนี้ก็ มันมีพลาดไม่ได้จริงๆยังเอ่ยสําหรับประเด็นของเราในคืนนี้นะครับพลาดไม่ได้จริงสามารถได้แล้วอืมคุณจุดจุดจุดอืม นอนคุยก็แยกทางกันไปเออเออมีอะไรอีกบ้างก็แยกทางกันไปเอออะไรอีกไม่คือคือคือต้องเข้าใจความ กระเอื้อนแหละกระเอื้อนกระเอื้อนก็ถือว่ากระเอื้อนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งใช่ส่วนใหญ่หรือให้อีกคนนึงเคลียร์ไปเอื้อนให้ใกล้ที่สุดเนี่ยเอออืมใช่มั้ยอ่ะมี 1 สายพี่ต้องมาถาม เอออ่าจะได้รู้นะฮะเอ่อดูละไอดีโอคราวที่แล้วอวาชีที่อาทิตย์ก่อนนะครับก็สนุกดี อ่าแล้วแต่ว่าเห็นเห็นรูปภาพของพวกเรา 4 คนมั้ยไม่เห็นครับไม่เห็นคนเดียวเลยเป็นวิดีโอครับต้องมีเชิญรูปภาพตัวนี้นี่หนูเข้า ลม 4 ก็ตื่นๆเป็นดีครับแล้วก็ใช่ครับแต่เห็นแต่ตอนนี้คือ 1 สักแป๊บนึงโอเคครับเห็นภาพยังตอน 30,000 หน้าหนีไปเสียใจอ่ะตั้งแต่วันนี้จะไม่สวยพออ่ะแล้วคําถามเห็นเออกล่องคําถามไม่ครับให้คะแนนกันโอ้โหสนุกจากคุณ อ่ะไม่ใช่อลิเทสอันนี้ป๊า DJ ดกใจหมดแล้วเออเค้าเทสว่า อันนี้ยังแค่ตรงนี้นะยังมีมีมีโชว์โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปไปครับขอบคุณ กัสกัสอ๋อน้องสุกัสสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าสุกัสที่เป็นคนแรกใช่ไหมเดี๋ยวขอหาโอเคหารูปก่อนเลย ส่งขึ้นอ่ะส่งพี่อีเมลเหรอตอนใช่เดียวๆกันตอนเนี่ยเลยมี install อุ๊ยอุ๊ยรู้ได้ไงใช่มั้ยเอ้ยใช่เธอ เอ้ยเอ้ยมันส่งมันนั้นส่งรูปมาส่งมีป้าไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หัวลําโพงหรอกเสร็จที่ไหนสักแล้วกันจุดๆๆหัวเราะหัวเราะหัวเราะไม่ต้อง ก็เปล่าครับนะถ้าหลังจากเสร็จก็ส่วนใหญ่ก็จะก็ดูก่อนนะครับถ้ามันเลิกเทื้อโอเคคนครับโอ้โหแบบคาราคาซังเลยเหรอเออโอ้โหอันนี้จะเค้าทานยาเดนทูลอันนั้นแสดงว่ายาด้วยคืออะไรรู้มั้ยคือ เป็นเป็นสูตรลับมาจากไหนเป็นสูตรลับเฉพาะของเผ่าบูดูอืมไม่แล้วปกติเวลาลุกขึ้นไปอาบน้ํา เออๆชื่อมั้ยชื่อมิชิมิแล้วมีแฟนอย่างเนี้ยอย่างดูๆ แต่ตอนนี้มีเสียงใช่มั้ยตอนนี้นะครับมีนะตอนนี้ออกมาคุยเพราะว่าฮ่องกงอยู่ในห้องเดียว นี่เธอ 2 คนพยายามจิ้มจออะไรกันเนี่ยเชิญพี่โหนก 2 ตัวซ้ายอีกๆแล้วมันก็แดดใช่อืมเราก็เออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงจะขึ้นนะเดี๋ยวลองคุยไปเรื่อยๆอ่ะไปโพสต์ดูบ้างอ่ะนะเดี๋ยวปล่อยน้องกัสเนี่ยไปหารูปใหม่มาก่อนนะครับอืมสัมปทานแข่ง อ่าขึ้นแล้วในที่สุดอ่าตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วมันดีเลย์ใช่มั้ยมันดีเลย์มากเลยพี่คือที่เธอจิ้มๆน่ะเธออ่ะจิ้มอันนั้นใหม่อันนี้จิ้มอันนี้ใหม่อู้ก็โง่หรือบ้าวะ ตงานงั้นเราหยิบเรา GH เซตออกเลยมั้ยเออนีนเมื่อกี้ซะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บๆอ่ะมีมีมีครับฮัลโหลครับผมสวัสดี ทงรัก 4 ครับ 2 รัก 4 Facebook ว่าก็ฟังได้แล้วโอ้โหยยินดีมาตบมือให้ทํายังๆๆไม่ใช่ ครับๆเอออ่ะก็เล่นนะมึงๆเออแล้วเป็นในคุณต๋องคุณต๋องสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ฟังหรือผมตอนสถานอ่ะครับอ๋อได้ไปฟังย้อน เห็นปิ๊กเต็มๆครับเออแล้วก็เห็นเอ่อเห็นปิ๊กเต็มจอแล้วมีรูปทําได้ด้วยก็ เขาฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเขาเช่นขยับตัวกระโดดพูดว่าขยับบ้าแหมมีคนไม่เห็น i radio ของเราก็จะ สถานีเหมือนกับที่เค้าหรือว่าวิทยุ อะไรก็ตามที่อยากจะพูดจะจะคุยไปทักทายมาได้หมดครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะจัดวาง 3 ท่านที่ 2 3 อ่าคนแรก ประเด็นสัปดาห์นี้ของเรานะครับหลังจากยิ้มแล้วเอออีกฝ่ายนึงจุดๆๆจุดๆๆมักๆๆนั้นคืออ่ะครับคือฝ่ายที่บนน่ะเออเออเมื่อเกิด อาบน้ำครับผมอาบน้ำก็เหมือนทันทีเลยใช่มั้ยแบบโอเคอ่าอ่าใช่ๆครับผมรอทันทันที สุกปบคืออาบน้ํา 30 <c oughs> วิใช่คือคือคือแบบเพชรหรือว่าคุณ นี่อะไรกันนะคะไม่ใช่ทําเตะกระแป๋งน้ําโหกมัน 5 ลิตรแหมออก 5 ซีซีคํานี้เรา 5 ลิตร 6 ลิตรรัก ก้นนั้นแหละคือมันแผ่นก็พอแล้วครับฮะเออ 256 ค่าเชื้ออยากแรงเชื้อนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอ่ะตอนรุ่งเช้าขึ้นมามีกลิ่น อ่าคูณ 6 กูม้วน 2 ม้วนกูแล้ว 6 ม้วนเสร็จพลังกี่วันเอ็งก็ยังมีเออนี่อะไรเออเออไมค์กําลังจะ 2 คนใช่มั้ยบาง ก็ได้อยู่มันก็โอเคในในถ้าคุณไปที่ที่มันเออก็พกไว้ก็ก็ติดรถอะไรติดกระเป๋า เอออย่าอย่าบ้าเหรอเวิร์คอุ๊ยโทษผมเรียนเสร็จแล้วว่าปั๊บแล้วจะคุณท่านโค้ชเมนเทอร์ใช่ครับเย็นไปครับใช่มะทําให้ ไม่ใช่อะไรไม่ได้